อาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์พรรัตนสุวรรณถือเป็นปราฏิหางพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งของไทยเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรอบรู้ในการทำสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานแตกฉานในพระไตรปิฎกปรัชญาและศาสตร์หลายแขนงทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและพระศาสนาไว้อย่างกว้างขวางเป็นผู้แจกแจงธรรมะได้อย่างลึกซึ้งมีผลงานทางตำราและก่อตั้งหน่วยงานเผยแพระศาสนามากมาย เช่นธรรมวิจัยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สนสำนักค้นคว้าทางวิญญาณอาจารย์พรได้กล่าวถึงในหลวงรัชการที่9ซึ่งมีใจความสรุปได้ประมาณว่าพระองค์เป็นผู้มีเมตตาสูงมากทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อได้พบเห็นพระองค์ท่านโดยเฉพาะด้วยตาตนเองจะมีความชื่นชมยินดีและอยากรับใช้อยากทาอะไรถวายท่าน เหตุเพราะพลังเมตตาในพระองค์แผ่ออกมาดึงพลังเมตตาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนจะรู้สึกได้มากน้อยตามความเมตตาที่ตนเองมีลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของผู้มีบุญและผู้ที่จะประสบความสําเร็จการจะมีคนรักร่ํารวยสุขสบายได้จริงจะต้องเกิดจากมีพลังเมตตาในตนเองเป็นพลังที่ดึงให้มีคนอยากช่วยเหลือสนับสนุนเต็มใจรับใช้หรือทํางานให้ ปัจจุบันวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วว่าการกระทำแต่ละอย่างส่งผลให้เกิดความคิดและอารมณ์ต่างกันอารมณ์ที่ต่างกันส่งให้ร่างกายหลั่งสารเคมีและเกิดพลังงานบางอย่างขึ้นซึ่งวัดผลได้บ้างแล้วเช่นผลที่เกิดกับโมเลกุล น, น้ำแสงออร่าในตัวและคลื่นสมองคนดีจะมีออร่าและคลื่นสมองแบบหนึ่งมีพลังงานที่ส่งให้โมเลกุล น, น้าในร่างกายเรียงตัวเป็นระเบียบ กระตุ้นการปล่อยสารเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมาเป็นประจำส่วนคนไม่ดีจะมีอ้อราและคลื่นสมองอีกแบบหนึ่งมีพลังงานที่ส่งให้โมเลกุล น, น้ำในร่างกายเสียสมดุลและกระตุ้นร่างกายปล่อยสารเป็นพิษออกมาทําร้ายตัวเองพลังงานที่เกิดจากใจของแต่ละคนหากเหมือนกันจะดูดเข้าหากันถ้าแตกต่างกันจะผลักกันออกดังนั้นคนชอบทาบุญ จึงรู้สึกไม่อยากอยู่ร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวเด็กหลังห้องจึงมันไส้เด็กเรียนหน้าห้องโดยไม่มีเหตุผลการทำดีกับคนไม่ดีเขาจะไม่เห็นคุณค่าทำให้รู้สึกว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นต้องแยกแยะนะครับว่าทาดีกับคนเลวแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าก็เลยเหมือนทําดีไม่ขึ้นแต่เมื่อทุกครั้งที่คุณทาดีจะเกิดพลังงานความดีสะสมในตัวคุณเองเสมอ คนรักหมาเห็นใครให้ข้าวหมาจรจัดก็นึกอนุโมทนาปลื้มใจคนเห็นแก่ตัวไม่ชอบหมาก็นึกด่าและหมั่นไส้ในใจหาว่าโง่เอาเงินไปซื้อของกินเองดีกว่านี่แค่ตัวอย่างนะครับพลังงานทางจิตวัดผลง่ายๆได้จากชีวิตประจาวันเช่นเห็นคนยิ้มเราก็อยากยิ้มเห็นคนหน้าบึง้งเราก็ขุนใจไปด้วย อาจารย์พรยังกล่าวไว้อีกบทหนึ่งประมาณว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงหลักธรรมขั้นสูงไม่ได้หากไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติวิเศษต่างๆตามที่คำพีกล่าวไว้และประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้จะวุ่นวายมากหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในพระอัริยภาพและการเป็นผู้ทรงคุณธรรมของในหลวง ติดตามเสียงอ่านหนังสือผลงานของอาจารย์พรในหมวดโลกหลังความตายซึ่งสนุกได้สาระและมีประโยชน์มากสามารถติดตามดาวน์โหลดได้ฟรีที่ jojo.net เลยนะครับประวัติย่ออาจารย์พรประทนักสุวรร จานพรรัตนสุวรรณเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2461เข้ากรุงเทพมาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิษตั้งแต่อายุ13ได้ศึกษาบาลีวยากรและแปลธรรมบทจนอายุ17จึงได้บวชเป็นสามเณรและเพียงพรรษาเดียวก็สอบได้รเรียน3ประโยคและสอบได้จนถึงประโยค6ในขณะที่ยังเป็นสามเณร น, นั่นเอง เมื่ออายุ20จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและรับหน้าที่เป็นครูสอนบาลีที่วัดมห า, าธาตุอยู่สองปีอาจารย์พรท่านเป็นพระที่ชอบศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะพระไตรปิฎกต่อมาได้ขอลาไปปฏิบัติธรรมที่เพชรบุรีและย้ายไปอยู่กับท่านพุทธทาสระยะหนึ่งก่อนจะย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดคืออุตรดิต์สองปี และย้ายต่อไปที่เชียงใหม่ซึ่งที่นี่เองท่านได้ตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎกอัธกาทธกถายอย่างเดียวถึงสี่ปีเต็มโดยไม่รับกิจนิมนต์ใดๆเลยปีพุทธศักราช2491เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่และเทศอบรมธรรมะให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปต่อมาถูกนิมนต์มาอยู่ที่วัดอุโมง และได้ตั้งพุทธนิคมเชียงใหม่ส่วนพุทธธรรมและอื่นๆเมื่อย่างอายุ30ปีในปีพุทธศักราช 2,492 ได้ร่วมกับหลวงพ่อปัญญานันทะพิกขุเทศอบรมนักเรียนและประชาชนในเทศบาลเชียงใหม่จนได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นแนวหลักธทมเน้นเหตุผลไม่งมงายเข้าใจง่ายจึงทาให้เกิดการก่อสร้างพุทธสถานเชียงใหม่ ขึ้นเป็นครั้งแรกในคราวนั้นเองต่อมาเมื่ออายุ34ปีท่านอาจารย์พรได้ป่วยเป็นวันโรคจึงจำเป็นต้องลาสิกขาและออกไปพักรักษาตัวพร้อมปฏิบัติธรรมไปด้วยที่ภูเขาหวไวไว้วยฝ้ายเมื่อหายจากโรคท่านจึงเริ่มออกสอนพระพุทธศาสนาให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆโดยสอนให้ฟรีทุกอย่างรวมเวลาตั้งแต่มาบาเพ็ญภาวนาและเผยพระที่ภาคเหนือ นานถึง11ปีจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเมืองเชียงใหม่สมัยนั้นเป็นอย่างดีต่อมาปีพุทธศักราช 2,498 าิทางมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยได้เชิญตัวมาเป็นอาจารย์บรรยายในคณะพุทธศาสตร์และยังออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆอีกประมาณสิบแห่งต่อมาได้เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในนามของมหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรกในกรุงเทพเป็นผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยซึ่งอยู่ในวัดมหาธาตุสำหรับปรับปรุงวิจัยการบรรยายธรรมและการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปการสอนของอาจารย์พรนั้นเข้าใจง่ายและลึกซึ้งไม่น่าเบื่อจึงได้รับความนิยมในสมัยนั้นเป็นอย่างมากถึงกับผู้ฟังล้นห้องออกมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ท่านยังบรรยายธรรมะซึ่งออกอากาศทางช่องเจ็ดสมัยขาวดำติดต่อกันเป็นเวลาถึง10ปีต่อมาได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์และสำนักค้นคว้าทางวิญญาณขึ้นท่านค้นพบว่าการจะสอนศินลธรรมยังได้ผลควรให้เข้าใจหลักปฏิจจสมุ ป, ปบาทก่อนจึงจะค่อยให้ความรู้ด้านอื่นๆต่อไปซึ่งได้เขียนตาราวไว้เป็นจานวนมาก ทั้งแนวทฤษฎีตามหลักพระไตรปิฎกเช่นพระอภิธรรมรวมถึงแบบเข้าใจง่ายภาษาง่ายๆโดยเรียนรู้ธรรมะผ่านโลกของโอปปปาติกะหรือโลกหลังความตายซึ่งเป็นการเขียนด้วยการอิงหลักตามพระไตรปิฎกที่ท่านเชี่ยวชาญอย่างมากไม่ได้กล่าวลอยๆขาดเหตุผลแบบงุมงายการอธิบายยังประกอบไปด้วยงานวิจัยของต่างชาติและบทความแปลจากทั่วโลก เพื่อแสดงเหตุผลประกอบให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ว่าโลกหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงและน้อมนำมาสู่การเข้าใจธรรมะขั้นสูงได้อย่างไรในปีพุทธศักราช2518ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สนขึ้นเพื่อให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน และต่อมาได้มอบให้เป็นสมบัติของมหาจุลาลงกรราชวิทยายลัยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้ดำเนินการตรวจชําระคัมภีร์อัตคถาดีกาซึ่งเป็นหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกและได้ส่งมอบให้กับมหาจุลาลงกรราชวิทยายลัยซึ่งตรวจชําระและจัดพิมพ์ได้เสร็จแล้วถึง47คัมภีเป็นการมอบองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจในพระธรรมอย่างละเอียดและถูกต้อง เปรียบดังได้มอบสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้กับพระเนนและพุทธศาสนิกชนไทยเลยทีเดียวอาจารย์พรรัตนสุวรรณจากโลกนี้ไปทั้งที่มีงานที่ตั้งใจจะทำเพื่อพระศาสนาอีกมากมายวันที่24่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ย25 36, สิิริอายุได้74ปี